เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำหมวดละสองประการคืออะไรคือ 1. นามรูป 2. อวิชาความไม่รู้แจ้งภาวะตันหาความทยานอยากในพบ 3. ภวะทิฏฐิความเห็นเนื่องด้วยพบวิภวะทิฏฐิ ความเห็นเนื่องด้วยวิภ พ, พ 4. อหิเรกะความไม่อายบาปอโนตปะความไม่กลัวบาป 5. หิริความอายบาปโอตปะความกลัวบาป 6. โทวจัจสตาความเป็นผู้ว่ายาก ปาปมิตตาความามีปาปมิตเจ็ดโซวะจัสตาความเป็นผู้ว่าง่ายกรยาณมิตตาความมีกรยาณมิตแปดออาปติกุชละตาความเป็นผู้ฉลาดในอาบัต อาปติวุฏธานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัตเ 9. สมาปัติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัตสมาปติวุฏธานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัต ทาตุกุสลตาความเป็นผู้ฉลาดในธาตุมณสิการะปุสลตาความเป็นผู้ฉลาดในมณสิการ 11. อาร็ายตนะปุสลตาความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะปฏิจจะสมุปาทะปุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุบาท 12. ฐานะกุสลตาความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ อัฐนากุสลตาความเป็นผู้ฉลาดในอัฐนาะสิบสามอาชวะความซื่อตรงลัชวะความละอายสิบสี่คันติความอดทนโซรจะความส ง, งีสิบห้าสาคันระยะ ความมีวาจาอ่อนหวานปฏิสันธาระการต้อนรับ 16. อวิหิงสาความไม่เบียดเบียนโสเจ ย, ยะความสะอาด 17. มุท ธ, ธสัจจะความหลงลืมสติอาสัมปชัญญะความไม่รู้ตัว 18. สติความระลึกได้สัมปัญญะความรู้ตัวสิบก้าอินทริเยสุอคุตตะทวารตาความไม่คุ้มครองทวารในอินรีโภชเนอมัตตัญยุตาความไม่รู้จักประมาณในการบริโภคยี่สิบ อินทรีเยสุขุตะทวารตาความคุ้มครองทวารในอินรีโภชเนมัตันยุตาความรู้จักประมาณในการบริโภค 21. ปฏิสังขาณัพละกำลังคือการพิจารณาภาวนาพละกำลังคือการเจริญ 22. สิติพละกำลังคือสติสมาธิพละกำลังคือสมาธิ 23. สมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิวิปัสสนาความเห็นแจ้ง 24. สมถทนิมิตนิมิตแห่งสมถทปัจขะนิมิตนิมิตแห่งความเพียร 25. ปัิคหปัข ะ, ะความเพียรอวิเคปะความไม่ฟุ้งซ่าน26่สสีละวิบัติความวิบัติแห่งศีลทิฏฐิวิบัติความวิบัติแห่งทิฏฐิย7่สสีละสัมปทาความถึงพร้อมแห่งศีลทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ 28. ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิ 29. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิเยถาทิฏฐิปทานะความเพียรที่สมควรแก่สัมมาทิฏฐิ 30. สังเวชนีเยสุทาเนสุสังเวคะความสลดใจในที่ที่ควรสลดใจสังวิคคั ส, สะโยนิโสปทานะความเพียรโดยแยกคายของผู้มีความสลดใจ 31. อกุสเลสุธรรมเมสุอสันตุธิตาความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายประทานนสมิงอปฏิวานิตา ความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียร 32. วิชาความรู้แจ้งวิมุตติความหลุดพ้น 33. ขยะยานความรู้ในการสิ้นกิเลสอนุปปาทยานความรู้ในการไม่เกิดกิเลสท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แลคือทำหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น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 2. กูศลมูล3กูสลมูลคืออโลภะความไม่อยากได้กูศลมูลคืออโทสะความไม่คิดประทุษร้ายกูยสลมูลคืออโมหะความไม่หลง 3. าทุจริต3กายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกาย วจีสุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจามโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจ 4. สุจริตสกายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกายวจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจามโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจ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 เอกุศนลสังกับปะ3ามการมสังกับปะความดำริในทางกามพยาปาทะสังกับปะความดำริในทางพยาบาทวิห <prophets living S 2> ิงสาสังกับปะความดำริในทางเบียดเบียน 8. กุศนลสังกับปะ3เน่คัมมาสังกับปะความดำริปลอดจากกามอพยาปาทะสังกับปะความดำริปลอดจากพยาบาท อาวิหิงสาสังกับปะความดาริปลอดจากการเบียดเบียน 9. อกุศลสัญญา3ามกามสัญญาความกำหนดหมายในทางกามพยาปาทสัญญาความกำหนดหมายในทางพยาบาทวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายในทางเบียดเบียน สิบกุศลละสัญญา3เนี่ขมาสัญญาความกาหนดหมายปลอจากกามอาพยาปาทัสสัญญาความกาหนดหมายปลอดจากพยาบาทอาวิหิงสาสัญญาความกาหนดหมายปลอจากการเบียดเบียน11 กุศลธาตุสกามาธาตุธาตุคือกามพยาปาทะธาตุธาตุคือพยาบาทวิหิงสาธาตุธาตุคือวิหิงสา12กุศละธาตุสาเนคขมะธาตุธาตุคือเนคขมะอพยาบาทะธาตุธาตุคืออพยาบาทอวิหิงสาธาตุธาตุคืออวิหิงสา 13บามธาตุสอีกในหนึ่งการมาธาตุธาตุคือกามาพรูปธาตุธาตุคือรูปปพอรูปธาตุธาตุคืออรูปปพ 14. ิธาตุสามอีกในหนึ่งรูปธาตุธาตุคือรูปปพอรูปธาตุธาตุคืออรูปปพนิโรธาตุธาตุคือนิโร สิบาธาตุสามอีกในหนึ่งหีนธาตุธาตุอย่างหยาบมชิมะธาตุธาตุอย่างกลางปณิตาธาตุธาตุอย่างปราณีตสิบหตันหา3กามตันหาความทยานอยากในกามภาวตันหาความทยานอยากในภพวิภาวะตันหาความทยานอยากในวิภพ 17ตันหา3มอีกในหนึ่งกามตันหาความทยานอยากในกามาพรูปประตันหาความทยานอยากในรูปประพบอรูปปตันหาความทยานอยากในอรูปประพบสิตันหา3มอีกในหนึ่งรูปประตันหาความทยานอยากในรูปประพบอรูปตันหาความทยานอยากในอรูปประพบ นิโรธตัญหาความทยานอยากในความดับศูนย์สิบเก้าสังโยสามสกายธทิฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสีลพตปราะะมา m ความถือมั่นศีลพรษยี่สิบ อาสวะ3ามกามาสวะอาสวะคือการภวาสวะอาสวะคือพบวิชาสวะอาสวะคืออวิชา21พบ3กามาพบพบที่เป็นกามาวาจรรูปประพบ พที่เป็นรูปาวจรอรูปประพบพบที่เป็นอรูปาวจร22เอสนาการสแสวงหา3ามกามเนสนาการสแสวงหาการเเวสนาการสแสวงหาพบพรหมจริเยสนาการสแสวงหาพรหมจ ร, ร์ วิทาความถือตัวสเสโยหะมัสมีติวิทาถือตัวว่าเราเป็นผู้เลิศ ก, กว่าเขาสติโสหะมัสมีติวิทาถือตัวว่าเราเป็นผู้เสมอเขาฮีโนหะมัสมีติวิทาถือตัวว่าเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขา 24. อัฐาการสาม อติตอาาัตาอดิตการอนาคตะอาาัตาอนาคตการปัจจุบันนอาอัตาปัจจุบันนาการ 25. อันตะ 3. สาสกายะอันตะส่วนสุดคือสกายะ สักกายสมุทญยอันตะส่วนสุดคือสักกายะสมุทัยสักกายนิโรธอันตะส่วนสุดคือสักกายนิโรธ 26. เวทนาสสุขเวทนาความรู้สึกสุขทุกขเวทนาความรู้สึกทุกขอทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุข 27ทุกขตาสทุกขทุกขตาสภาวะทุกขคือทุกข์สังขารทุกขตาสภาวะทุกขคือสังขารวิปริณามทุกขตาสภาวะทุกขคือความแปรผันไป28ราศีกองสามมิจตะนิยตราศีกองแห่งธรรมที่มีสภาวะผิด และให้ผลแน่นอนส ม, มัตตะนิยตราศีกองแห่งธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอนิยตราศีกองแห่งธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอน29ตะมะความมืดสาม เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารบอดีตการเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารบอนาคตการเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารบปัจจุบันการ30อรักเขยยะข้อที่พระตถาคตไม่ต้องรักษา3พระตถาคต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 รัตถาคตทรงมีมนโนสมาจารความประพฤต ท, ทางใจบริสุทธิ์ไม่ทรงมีมนโนทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่าคนอื่นๆอย่าได้รู้มนโนทุจริตของเรานี้ 31. กินจนะ เครื่องกังวล3ราคะกินจนะเครื่องกังวลคือราคะโทสะกินจนะเครื่องกังวลคือโทสะโมหะกินจนะเครื่องกังวลคือโมหะ32องอคิไฟสราคะคิไฟคือราคะโทสัคิไฟคือโทสะโมหคิไฟคือโมหะ 3าอัิคิสามอิกในหนึ่งอหุเนยยัคิไฟคืออาหุเนยบุคคลขหปตักชิไฟคือขหบดีทักขิเนยยัคิไฟคือทักขิเนยบุคคล 34. รูปปรูปสังขะสามสนิทัสนะสัปติคะรูปรูปที่เห็นได้และสัมผัสได้ อันนีทัศนะสัปติคะรูปรูปที่เห็นไม่ได้แต่สัมผัสได้อันนีทัศนะอัปติคะรูปรูปที่เห็นไม่ได้และสัมผัสไม่ได้ 35. สังขารสปุญญาพิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดี อปุญญาพิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่วอเนนชาพิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งพบอันมั่นคงไม่หวั่นไหวสามบุคคลสเสขาบุคคลบุคคลผู้ยังต้องศึกษาอาเสขาบุคคลบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาเนวเสขานาเสขาบุคคลบุคคลผู้ยังต้องศึกษาก็มิใช่ ผู้ไม่ต้องศึกษาก็มิใช่37 เ, เทระสาชาติเทระพระเทระโดยชาติธรรมเทระพระเทระโดยธรรมสมมุติเทระพระเทระโดยสมมุติ38 บุญยกริยาวัตถุสาทานไม่บุญยกริยาวัตถุบุญยกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานศีลไม่บุญญกริยาวัตถุบุญยกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลภาวนาไมยบุญย ah กริาายาวัตถุบุญยกริยาวัตถุที่สำเร็จ th ด้วยภาวนา 39. โจธนาวัตถุเหตุที่ใช้โจท3ทิเทนะโจดด้วยได้เห็นสุเตนะโจดด้วยได้ยินได้ฟังปริสังกายะโจดด้วยความระแวงสงสัย 40. กามุปติการเกิดในการมภพบสสัตว์ที่มีกามปรากฏเฉพาะหน้ามีอยู่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 สัตว์ที่ผู้อื่นเนรมิตการมคุณให้มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของการมคุณที่ผู้อื่นเนรมิตให้แล้วเช่นพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีนี้เป็นกามุ ป, ปฏิที่สามการเข้าถึงความสุขสาม สัตว์พวกที่ทำความสุขให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแล้วอยู่เป็นสุขมีอยู่เช่นพวกเทพชั้นโพรมายาิกานี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่หนึ่งสัตว์พวกที่เอิบอิ่มอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็เปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอเช่นพวกเทพชั้นอภัสระนี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่สอง สัตว์พวกที่เอิบอิ่มอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านั้นยินดีสวยความสุขทางจิตอันปราณีเท่านั้นเช่นพวกเทพชั้นสุภกินหะนี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่สามสี 42. ปัญญาสาเสขะปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ยังต้องศึกษาอาเสขะปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษา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 สีสิบห้าอินรีสามอนัญญาตัญยศ า, ามีตินซีอินรีของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจะรู้สัจธรรมที่ยังไม่ได้รู้อัญญรีอินรีคือปัญญาที่รู้ทั่วถึงได้แก่โสตาปฏิผลยานอัญญาตาวินรีอินรีของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้ว46จสกขุสาม มังสะจักขุตาเนื้อทิพจักขุตาทิพ ป, ปัญญาจักขุตาคือปัญญา47สาา่สิกเจขาสอธิศีลและสิกขาสิกขาคือศีลอันยิ่งอธิจิตและสิขาสิกขาคือจิตอันยิ่ง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 อนุตริยะ3ทัศนานุตริยะการเห็นอันยอดเยี่ยมปฏิปทานุตริยะการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมวิมุตตานุตริยะการหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม50สมาธิสสวิตักกะสวิจารสมาธิสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารอวิตักกะวิจาระมัตตสมาธิ สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอวิตั ก, กะอวิจาระสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร 51. สสมาธิสอีกในหนึ่งสุญญะสมาธิสมาธิที่พิจารณาเห็นความว่าง อนิมิตะสมาธิสมาธิที่พิจารณาธรรมอันไม่มีนิมิตอปะนิหิตะสมาธิสมาธิที่พิจารณาธรรมไม่มีความตั้งปรารถนา52โสเจยยะความสะอาดสกายโสเจยยะความสะอาดทางกายวจีโสเจยยะความสะอาดทางวาจามโนโสเจยยะความสะอาดทางใจ ห้โมเนะยะธรรมที่ทําให้เป็นมุนี3กายโมเนะยะธรรมที่ทําให้เป็นมุนีทางกายวจีโมเนยะธรรมที่ทําให้เป็นมุนีทางวาจามโนโมเนยะธรรมที่ทําให้เป็นมุนีทางใจ54โกสัญละความเป็นผู้ฉลาดสอายะโกสัญละความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญ อปายะโกสันละความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมอุปายะโกสัละความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย55มัทะความมัวเมา3อโรขยะมัทะความมัวเมาในความไม่มีโรค โยพณะมะทะความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวชีวิตะมะทะความมัวเมาในชีวิต56อธิปไตยสามอัตตาธิปไตยความมีตนเป็นใหญ่โลกาธิปไตยความมีโลกเป็นใหญ่ธรรมมาธิปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่ กระท้าวัตถุสามกล่าวถ้อยคำว่าการที่ล่วงไปแล้วได้มีแล้วอย่างนี้ปรารภการส่วนอดีตกล่าวถ้อยคำว่าการที่ยังมาไม่ถึงจกมีอย่างนี้ปรารภการส่วนอนาคตกล่าวถ้อยคำว่าการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าบัตรนี้เป็นอยู่อย่างนี้ปรารภการส่วนปัจจุบันนี้ 58. ิบวิชาสาม วิชาคือปุเพนิวาสานุสติยานความอย่างรู้ที่ทำให้ระลึกชาติก่อนได้วิชาคือจุตูปปาตยานความอย่างรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายวิชาคืออาสวะขยะยานความอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 59. วิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่3ทิพพระวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของเทพพรมวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของพรมอริยวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ 60. ปฏิหารสอิทธิปฏิหารปฏิหารคือฤทธิ์อธิชนาปฏิหารปฏิหารคือการทายใจ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 เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยชานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณนัตและโทมณัตดบไปก่อนแล้วบรรลุจตุทะชานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่